ทีนี้ต่อไปนะว่าทำที่ทำที่พึ่งอย่างที่สองก็คือภิกษุเป็นผู้มีธรรมะอันสดับแล้วมากทรงธรรมะที่ได้สดับแล้วสังสมธรรมะที่ได้สดับแล้วธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมาจารพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นปานนั้นอันเธอได้สดับแล้วมากทรงไว้แล้วมากคล่องปากตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยนะ คือหมายคำว่าทุกสูตรเนี่ยเข้าใจทะลุโปร่งหมดนะนะทรงจําไว้ได้เข้าใจทะลุปุโปร่ปรงหมด น, นะไไดด น, นะดีไม่ดีก็เรียกว่าพูดหัวรู้ท้ายหมดเลยพูดท้ายเนี่ยย้อนไปหาหัวอะไรทั้งหมดได้สบายสบายเนี่ยนะเข้าใจเลยว่าแต่ละบทแต่ละคําแต่ละศัพท์มีความหมายขอบเขตลึกซึ้งขนาดไหนคําไหนหมายถึงทุกขสัจสมุทัยสั์นิโรธสัจคาไหนหมายถึงศรรีลสมาธิปัญญาวิมุติอะไรเนี่ยแยกแย ะ, ย ะ, ยะเข้าใจแทงตลอดอไม่เข้าใจผิดเป็นอื่นเลยนะ อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างที่สองว่าผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีธรรมะอันสดับแล้วมากทรงธรรมะที่ได้สดับแล้วสั่งสมธรรมะที่ได้สดับแล้วธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัตพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นปานนั้นะอันเธอได้สดับแล้วมากทรงไว้แล้วคล่องปราบตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนี้ก็เป็นธรรมะ กระทำที่พึ่งเนี่ยนะนี่ก็เป็นนาถกรณธรรมอย่างที่สองนะก็ชีวิตของเราเนี่ยถ้าถ้าเตรียบข้อหนึ่งนะถ้ามีศินเท่าไหร่อันนั้นก็พอจะเป็นที่พึ่งของตัวเองก่อนนะอย่างที่สองอีกศึกษาการศึกษาหรือความรู้เนี่ยก็พอที่จะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะถ้าในทางธรรมะเนี่ยนะความเป็นประหูสูตรเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้เป็นที่พึ่งทั้งในโลกหน้า โลกนี้ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะผู้ที่เป็นพหูสูตรก็รักษาตัวให้ปลอดภัยกว่าน่อย <Rey> ปลอดภัยจากอะไร <Drop Jama ican> ปลอดภัยจากบาปเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่ทําแต่ละอย่างแต่ละอย่า ง, างก็จะเป็นบุญมากขึ้นอันนี้ความเป็นพหูสูตรนี่จะช่วยที่อื่นนี่แสดงว่าความเป็นพหูสูตรนี่เป็นทรัพย์ใช่ไหมตรงนี้เป็นที่พึ่งจริงๆฉะนั้นผู้ที่ไม่มีความเป็นพหูสูตรไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้เลยนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเลย นั่นก็ให้ให้สแสวงหาที่พึ่งกันนะส่วนที่สําคัญเนี่ยก็คือสั่งสมธรรมที่ได้สดับแล้ว น, น, นะนะก็รู้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของสูตรนั้นให้เป็นอย่างดีนะถ้าจะเอาสูตรเดียวนะเบื้องต้นก็จําได้ท่ามกลางก็ดีในที่สุดก็ได้แล้วในสูตรทั้งนั้นเนี่ยต้องประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนะประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงาศาสนพรหมจรรย์ต้องสามารถเพ่งให้ออกว่านี้เป็นศีลนี้เป็นสมาธินี้เป็น ปัญญาเนี่ยนะตรงนี้ต้องเพ่งให้ออกจริงๆแล้วก็แยกทั้งโดยอัฏฐะทั้งโดยพยัญชนะเนี่ยนะนขับนี่นะถ้าเอาเนติปกรณ์มาจับแล้วก็ โ, โหต้องไปเรียนเนติปกรณ์ด้วยอีกเล่มหนึ่งนยะจำธรรมะหนึ่งสูตรให้ได้แล้วก็เรียนเนติปกรณ์มาที่ใบอีกเล่มหนึ่ง mm hmm. ถ้าได้ก็แทบจะทรงพระตยัยปิกแล้วละนะนั่นก็คําว่าอัฏฐะก็คืออะไรนยะใช่ไหมยพยัญชนะก็คือหาระนะต้องเรียนทั้งอัฏฐะเรียนนะเรียนทั้งหาระเรียนทั้งนยะเน่ยนะ ก็ น, นั่นแหละแล้วก็สามารถมาศึกษาค้นควา้าแยกเยะแต่ก็ส่วนที่สําคัญที่สุดนะการฟังหรือการศึกษาพระธรรมเนี่ยฟังมากฟังน้อยเรียนมากเรียนน้อยอะ่ะสำคัญอยู่ตรงไหนสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเมื่อฟังเนี่ยพยัญชนะไม่เป็นเกณฑ์เกณฑ์อยู่ที่ว่าถ้าฟังเรื่องทุกข์แล้วทาปริญญาได้ไหมฟังเรื่องสมูทายแล้วละไหมฟังเรื่องนิโรธแจ้งได้ไหมฟังเรื่องมรรคแล้วบําเพ็ญได้ไหมเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญว่าโอา้โหพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ลักษณะนั้นพระองค์สรรเสริญคนที่ทํากิจสี่ประการนี้ว่าเป็นพระหูสูตรเดี๋ยวนะไม่ไม่ถือว่าทรงพระไตรปิดกแล้วกิเลสเกิดแล้วเป็นพระหูสูตรนะไม่ไม่ชมตรงนั้นชมตรงคนที่จะไปทํากิจกิจปริญญากิจนะปฐานากิจกิจคือการทําให้แจ้งสัจิกิริยาและก็ภาวนากิจเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เอาเป็นเป็นเครื่องวัดนะนะ เพราะในความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ทํากิจสี่ประการเหล่านี้อันเราฟังมากฟังน้อยสําคัญฟังให้คู่ควรแก่การทํากิจสี่ประการนี้เมื่อใดที่เราฟังนะอย่างที่โยมถามเมื่ อ, อ, อสนทนาเมื่อเช้า ว, ว่าจะต้องเรียนแค่ไหนธรรมะเนี่ยจะต้องเรียนแค่ไหนเรียนพอเออต้องระดับไหนสําคัญคือเรียนแล้วกําหนดรู้ทุกได้ไหมอะไรคือขันห่าย่อที่สุดคือนามรูปวันนั้นเถอะ แต่ น, นามรูปก็มาจากเหตุก็ต้องเรียนเรื่องปัใจจัยให้ดีแล้วจะตัดปัดจจัยแห่งทุกได้อย่างไงอันนั้นเป็นนิโรศรด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะถ้าเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบมาวัดดูแล้วก็มีความเข้าใจอย่างทางตลอดก็ถือว่าการเรียนเนี่ยใช้ได้เป็นผู้สูตรแล้วละ่ะแต่ถ้าแหมคัมภี์นี่อ่านมาเยอะเหลือเกินแต่ทุกเข้าไม่รู้ก็ทําปริญญาอย่างไรเนี่ยนะสมุทัยไม่รู้ละอย่างไงอย่างนี้ก็ถ้ายอย่างนี้ก็โอ้เรียนอีกนานนะอ่านจนกว่าจะ เข้าใจแล้วก็เอามาทํากิจอันนี้ได้จริงๆนะคือเราต้องคิดดูนะครับขณะเรียนมากอ่านมากแล้วทําไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงไม่เรียน่นะโอ้นี้ทุกนะนี้ขันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปประกอบไปด้วยมหาภูตารูปสีมหาภูตารูปสี่ปฐวีอาโปเตโชวาโยไล่ได้หมดเลยแต่เจริญไม่ได้กับไล่อะไรไม่ได้แล้วเจริญได้มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่ที่ยังเรียนไม่พอก็ให้เรียนเมื่อเรียนแล้วทํำยังไง เนะ่พระ อ, องค์ก็สันเสริมเรื่องการหลีเกเล้นเนี่ยนะเพื่อที่จะได้เอาธรรมะเหล่านี้มาไข ค, ครวนมาพิจารณาแล้วก็เมื่อใไขครวนพิจารณาแล้วนะธรรมะของพระ อ, องค์เนี่ยซึ่งไตรรัตทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็จะเห็นว่าพยัญชนะนี้เป็นศีลนะพยัญชนะตรงนี้เป็นสมถะตรงนี้เป็นวิปัสสนาตรงนี้เป็นมรรคตรงนี้เป็นผลเนีย่ยนะนี่ตรงนี้เป็นนี่ผ่านศีลจะทําให้บริบูรณ์ได้ยังไงก็เข้าใจอย่าง ละเอียดละอีอ๋ทีถ้วนตรงเนี้ยจึงจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้อย่างน้อยที่สุดนะถ้าไม่ได้อะไรเลยนะเงาเงาก็สาธยายได้สักสูตรก่อนก็ยังดีนะก็ถือว่ามีที่พึ่งนะมิ้ก็ไม่เงาแล้ว น, นี่อาจารยเกสอนก็ได้เท่าไรนะเก้าสสูตรแล้วเมื่อวานนี่ว่างแค่ไหนเก้าสิบอะไรนะี่อ๋อธรรมะเก้าสินี่คล่องหมดแล้วนะแจวแล้วงั้นวันหนึ่งก็ไม่เงาเลยวนะถ้าสาธยายอย่างนี้บ่อยๆ อนใครได้อะไรก็ตรงนั้นแหละไม่เหงาแล้วนะคุณมออินสอนก็มีอะไรได้ท่องอะไรบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็มีเอ็มพีสามเป็นเครื่องไม่เหงาโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยน ะ, นนน ะ, นะเธอคน คือคนที่จะได้อารูปฌานเนี่ยต้องได้กสินแปดก่อนฌานสี่ต้องได้ฌาน4ี่ก่อนใช่ไหมฌานสี่นั้นต้องเป็นฌานสี่ที่มาจากกสินไม่ใช่ฌานสี่เรื่องอื่นต้องเป็นฌานสี่จากกสินอยู่แล้วกสิน8ดเนี่ยนะวันหน้ากสินสี่กับถาดกสินเมื่อได้กสินแปดเหล่านี้ดีนะผมก็ชำนาญในเรื่องกสินอยู่แล้วเนี่ยจนสามารถเข้าได้ถึงฌานสีในกระสินทุกกสินหรือกสินใดกสินหนึ่งเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็ขยายกสินแล้วก็เพิ่มกระสิิจนเออ๋อไม่ใช่คือตัวชานเนี่ยมันเป็นจิตเจต ส, จ<ะ>สิกกระสินเป็นอารมณ์เพราะฉะนั drawings, ้นเวลาที่ชานเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไงก็อันนั่นแหละกสินข้อที่สําคัญนะอย่างข้อหนึ่งข้อสองนะนาถาการณธรรมธรรมที่พึ่งนะหนึ่งศีลสองผูสูตร น, นะ น, นี่มาข้อสาบ้างนะการยานามิตรนี่สําคัญว่าอีกข้อหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีนี่นะมีเพื่อนดีอ่ะนี้ก็เป็นธรรมะกระทําที่พึ่ง น, นะมีที่พึ่งนะถ้ามีเพื่อนดีคําว่าเพื่อนหรือมิตรดีในที่นี้ก็มาจากคําว่าการยานามิตรนี้หมายถึงครัาจารย์นะโดยทั่ ว, วไปท่านนิยมหมายถึงครัาจารย์ ก็ผู้ที่มีครูบาจานดีนั่นเองจริงๆแล้วอ่ะนะคุณธรรมข้อข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยนะถามว่ามาจากไหนความเป็นผู้ศีลดีอ่ะก็มาจากมีมิตรดีนั่นเองความเป็นผู้ผู้เป็นพหูสูตรก็มาจากมีมิตร ด, ดีในเมคยสูตรเนี่ยเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเมคยสูตรก็บอกว่าผู้ที่มีมิตรดีเนี่ยหวังได้เลยว่าตนเนี่จะเป็นผู้ที่มี ศีลผู้ที่มีมิตรดีเนี่ยหวังได้เลยว่าจะได้กระถาวัตถุสิบผู้ที่มีศีลดีหวังได้เลยว่าตนจะเป็นผู้ปรารบความเพียรผู้ที่มีมิตรดีก็รู้ว่าตนจะเป็นผู้มีปัญญาพิจนารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมคือมีมิตรดีเนี่ยทําให้ตัวเองเนี่ยมีศีลด้วยนะก็อยู่กับคนมีศีลก็มีศีลอยู่แล้วแต่ถ้าไปอยู่กับมิตรที่ไม่ใช่ศีลลนะ่ะอันนั่นแหละที่เสียหายมากอนะที่ ในอนังคณสูตรอนังคณะสูตรเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทใช่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งตัวเองมีกิเลสก่อใหม่รู้ว่ามีกิเลสเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าบุรุษเรวสามคนที่สองก็บอกตัวเองมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยนะอันนี้เป็นบุรุษประเสริฐข้อที่สมบอกว่าคนตัวเองไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าไม่มีกิเลส อันน uh ี one. One. One. Three. Three. ้เป็นบุรุษเร็วสามข้อที่สี่ก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสอันนี้เป็นบุรุษประเสริฐเนี่ยนะทีนี้ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงอย่างเช่นคนที่ตัวเองเนี่ยมีกิเลสไม่รู้ตัวว่ามีกิเลสกับมีกิเลสรู้ตัวว่ามีกิเลสอย่างเงี้ยต่างกันยังไงต่างกัาข้อแรกว่าคนตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีกิเลสใช่ไหมก็เกิดมาก็อย่างคว้า ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ได้ศึกษามานี่ก็ถือว่าเป็นเป็นความไม่ดีข้อแรกก่อนใช่ไหมแสดงท่านก็บอกว่าท่านเหล่านั้นก็มาบวชเห่างนั้นน่ะพอมาบวชก็ไปอยู่กับครัวาจารย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลยเนี่ยนีตัวเองก็ไม่มีกิเลสไปอยู่กับคนมีกิเลสตามเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็บุรุษประเภทเนี้เลวทามเนี่ยนะเลวทามมากแล้วก็ส่วนผู้ที่ว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสรู้ตามเป็นจริงมีกิเลสก็ไปสแสวงหาผู้ที่ มีคุณธรรมดีใช่ไหมตอนหลังก็ปฏิประพฤติดีปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะชำระกิเลส ใ, ให้บริสุทธิ์ได้พันผู้ที่มีกิเลสแล้วไม่รู้ตัวว่ามีกิเลสเนี่ยเรียกว่าโอ้โหบอดสนิทเลยอ่ะแต่ถ้ามีกิเลสแล้วรู้ตัวว่าตัวเองนี่มีกิเลสก็พอจะแก้ไขได้เนี่ยนะเพราะสแสวงหาหนทางเพื่อที่จะรักษาเพื่อที่จะเยียวยาะนะข้อที่สาคัญว่าในในาศาสนานี้อ่ะนะมงคลสูตรยังไงก็ ก็ไม่เลื่อมันะจริงธรรมะเหล่านี้ก็ไม่ขัดอะไรจากมงคลสูตรใช่ไหมมีศีลดีก็วินโยจะสุสิคริโตนั่นเองความเป็นพหูสูตรก็พาหุสัจจันจะเนี่ยเพาหุสัจจันจะก็คือความเป็นพหูสูตรได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มิตรดีคืออะไรอเสวนาจะพาลานังปัิตานันจะเสวนาก็คือการครบบัณฑิตนั่นเองจริงการครบบัณฑิตหรือคบมิตร ด, ดีสหายดีทําให้เป็นผู้มีศีลแล้วก็ทําให้ได้เป็นพหูสูตร แต่ว่ามีมิตร ด, ดีมีสหายดีที่จะบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือศีลกับพระหูสูตรเนี่ยงงไว่าคําเถียงสามคำเลยไหมเหตุผลตะบันเลยนะี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้นั่นก็เลยข้อเตือนน่ยนะข้อเตือนถ้าจะได้คุณธรรมเหล่านั้นก็เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะที่กระทําให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับอนุสาสนีโดยเบื้องขวาคือคนอินเดียนี่ถือว่าเบื้องขวานี่เคารพมากเดี๋ยนะเบื้องขวาเนี่ยนะ ถือว่าเคารพผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะที่กระทําให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับอนุสาสนีโดยเบื้องขวานี้ก็เป็นธรรมะที่กระทําให้เป็นที่พึ่งคือกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาจะแนะนำเนี่ยนะเขาก็แนะนําผู้ว่าง่ายสอนง่ายอยู่แล้วเนี่ยนะคือเขาไม่แนะนํบาบักคนกลุ่มที่เรียกว่าว่าคําเถียงคําว่าสามคำมีเหตุผลไปหมดใช้บอกโน่นก็ เบี่ยงซ้ายบอกขวาก็เ บ, บี่ยงคลอกซ้ายอย่างงี้ยนะกลุ่มอย่างงี้เขาก็ไม่แนะนําไม่ตักเตือนอยู่แล้วเพรา ะ, ะกลุ่มที่ที่เป็นกลุ่มที่คุณคนมีคุณธรรมเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่มีศีลดีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมของความเป็นกาลยานามิตรเนี่ยเขาแนะนําเพื่อประโยชน์ของผู้รับไม่ใช่แนะนําเพื่อประโยชน์ของเขาทีนี้ถ้าเราว่ามากมีเหตุผลตะบันแล้วจนจเรียกว่าอธิบายไม่ได้เลยเนี่ยนะเอ๊ะมันจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ย ท่า น, นก็บอกว่าพระมหากษัตริยบอกหู้วุ่นวายพระมหากษัตยจหน้าบอกว่าโอ๊ยไม่ดีเราต้อีกเล้นมเงินอ่ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ที่เป็นกาลยานามิตรเนี่ยท่านสงเคราะห์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยทั่วๆไปแล้วท่านไม่ได้ผลประโยชน์จริงๆเมื่อท่านไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยผู้เรียนจึงต้องเคารพในในธรรมเนี่ยนะเมื่อเคารพในธรรมอ่ะผู้สอนก็เขาก็จะแนะนําโดยธรรมก็จะมีความเจริญงอกงามอย่างนั้นฉะนั้นคนที่มีว่า ง, ง่ายนะก็มีที่พึ่ง คนว่าง่ายเนี่ยคนอื่นเขาแนะนำได้เนี่ยนะเขากล้าแนะนำเนี่ยนะแนะนำก็รับเอาไปปฏิบัติโดยดีเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าง่ายแล้วมันก็มีสองกลุ่มนะว่าอะไรฟังหมดแต่ว่าไม่ทําสักอย่างเลยนะก็ข้อที่ต่อไปนี่สาคัญอีกข้อหนึ่งภิสูุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้ น, น, นสามารถทาสามารถจัด ในกิจกรณียกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายอันนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยน ะ, ะคำว่ากิจในที่นี้ก็คือการประพฤติวัดปฏิบัตินั่นเองอะนะจะต้องเป็นอนะงนั้นะคือท่านบอกท่านสอนเราก็ว่าง่ายในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักกิจรู้จักธรรมเนี่ยนะคำว่ากิจกรณียกิจก็คือการปัดกวาดการเช็ดถูการย่อมการซักการช่วยเหลือกิจการงานต่างๆมีกิจการงานก็เข้าไปช่วยกันไม่นิ่งดูได้ อันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ขยันไม่เกียจคร้า น, นอย่างน้อยที่สุดนะสมมุติถ้าแบบในในทั่วๆไปเนี่ยถ้าเรามีอาจารย์ที่ทรงพระไตยัยปดกใช่ไหมเราก็ไปว่าง่ายแต่นี้ท่านทําอะไรเราไม่ช่วยท่านซักเรื่องเลยนะอันนี้ก็ไม่ดีเหมืะนั้นที่ที่จะดีก็คือเราก็ขยันไม่เกียจคร้านช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆเนี่ยนะอะไรที่ที่ไม่เสียสินเสียธรรมเนี่ยนะอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เราก็ควรช่วยเหลือควรเกื้อกูลเพราะว่า อ่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าได้รับการช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือตอบแต่ถ้ากูเบรคขาตลอดเลยนะเหมือนกับว่าโอ้ยที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันเลยงี้ก็ไม่รู้จะแนะนํากันยังไงอันสําคัญก็คือผู้ที่ขยันไม่เกียจคร้านก็ถามพูดในในห้องเราเนี่ยนะครัาอาจารย์เนี่ยโหทุกแถวที่นั่งเนี่ยเป็นอาจารย์เกือบทั้งนั้นเลยนั่นไงแถวและแถวนะเขาเรียกอาจารย์กันทั้งนั้นเลยนะมันก็รู้เลยว่าสิทธิ์ควรจะเป็นยังไงใช่ไหม ไม่ใช่บอกคำเถียงคำเนี่ยข้อสีเนี่ยจากมิดข้อแรกก็แหมท้อไปครึ่งอนึางใช่ไหมเสร็จแล้วบอกให้ไปอ่านหนังสือก็ไม่อ่านอีกสายทำไงจางเกสุดากรุณาใช่ไหมแนะนำต่อไปก็ก็ไม่เป็นไรก็ได้สมควรอยู่เหตุผลอยู่แล้ว อนัพพ์คุณธรรมเหล่านี้ก็สัมพันธ์กันต่อมานะแล้วก็ข้อ6นี่ก็สำคัญ น, นะจริงๆเนื้อหาในธรรมะเนี่ยจะสัมพันธ์กันตลอดคุณธรรมมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันไปว่าอีกข้อหนึ่งพิสูุเป็นผู้ใครในธรรมเจรจาหน่ารักมีความปราโมทยิ่งในอภิธรรมในอภิวินนัยผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ในธรรมเจรจานารัก มีความปราโมทยิ่งในอภิธรรมในอภิวิไนน์นี้ก็เป็นธรรมะกระทําที่พึ่งตรงนี้หมายถึงผู้ไข่ในธรรมยินดีในธรรมยินดีในการฟังธรรมนะนะอันดับแรกก็ต้องยินดีในการฟังธรรมมีความสุขในการฟังธรรมเป็นต้นเคยมีวัดหนึ่งนะโอ้อาจารย์เขาไปนั่งรอตั้งหลายสินาทีลูกศิษย์ไม่มาสากทีหนึ่งนะนะโอ้เรียกว่าขี้เกียจตั้งแต่เข้าห้องเรียนอยู่แล้วนะโอ้แล้วคนสอนจะขี้เกียจขนาดไหนเนี่ยนะ ถ้าผู้ที่ใคร่ในธรรมแล้วก็เจรจารน่ารักรู้จักพูดอ่ะนะสำคัญจริงๆอะ่ะโลกนี้จริงๆก็อยู่ที่การรู้จักพูดนั่นเอง พันถ้าผู้ที่ใครใครในธรรมฝากฝ่ายในธรรมฟังธรรมแล้วก็ปราโมทปีติปลื้มใจโอ้นี่ธรรมะเหล่านี้ช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้จริงเนาะเป็นต้นฟังแล้วก็เอิบอิ่มบันเทิงแล้วก็ยังช่วยใช่ไหมฟังแล้วก็เหี่ยวแห้งเนี่ยนะขามายิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสนั่งฟังไปพักก็เครียดยิ่งขึ้นบอกเลิกแว่ยิ้มเฮกักราบจองนะนะอย่างนี้ก็เต็มที่มากน็สแสดงว่าไม่ใคร่ในธรรมก็ไม่ค่อยมีที่พึ่งเท่าไหร่ ส่วนข้อต่อไปเนี่ยนะก็คือคุณธรรมอย่างอื่นอีกก็เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณธบาเศเสนาสะนะและเพสัชบริหารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ตามมีตามได้ผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรบินธบาเศเสนาสะนะและเพสัชบริหารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ตามมีตามได้นี้ก็เป็นธรรมะกระทํำที่พึ่งคุณธรรมคือความสันโดษตรงนี้เนี่ยเน้นที่ไหนเน้นที่บอกว่าผู้สันโดษจะสะดวกในทิศ4ี่ ไปไหนก็ได้คือผู้ไม่สันโดษในปัจจัยสีเนี่ยนะค่อนข้างปัญหามากเนี่ยนะเรื่องไม่มีจบมีสิ้นวุ่นวายไปหมดนั่นเพราะฉะนั้นผู้ที่สันโดษเนี่ยนะก็จะไปได้ในในทิศทั้งสี่นั้นผู้ที่สันโดษโดยมากก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรใช่ไหมยังไงก็อยู่ได้ไอ้คำว่ายังไงก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่ายอมเสียศีลเสียธรรมอยู่ทั้งเสียศีลก็อยู่ได้มีศีลก็ดีไม่ใช่แบบค่านะไม่ใช่ ใ น, ในพระสูตรพระองค์ก็บอกว่าคนกล้าเยี่ยงกาเป็นอยู่ง่ายคนที่ประพฤติ ด, ดีอยู่ยากนะนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเทียศในคนดีด้วยกันคนมีคุณธรรมด้วยกันเนี่ยคนสันโดษกับคนไม่สันโดษเนี่ยคนสันโดษ ด, ดีกว่าอยู่ง่ายกว่านะนะใช้ชีวิตสะดวกกว่านะนะคือคุณธรรมข้อ7เนี่ยเมื่อมีคุณธรรม6ข้อก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ใช่พรวดขึ้นมาแล้วจะเอาแต่ข้อ7อันเดียวหนึ่งไม่ใช่แต่ก็สันโดษเนี่ย ตัวที่สันโดษองคธรรมนี่ต้องเป็นกุศลนะไามา่ใช่ว่าโอ้โสมมติว่าสันโดษในอาหารเนี่ยนะกินอะไรก็โลภเกิดหมดนี่นะ น, นก็ยังไม่ใช่เรียกสันโดษนะสันโดษเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องเป็นกุศลอยู่แล้วก็ต่อไปอีกว่าทีนี้คุณธรรมเรื่องการปฏิบัติเฉพาะตัวก็คือเป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอากุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมอยู่ เป็นผู้มีเรี่ยวแรงมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ปราบรความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมอยู่มีเรี่ยวแรงมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในธรรมที่เป็นกุศลนี้ก็เป็นธรรมะกระทำที่พึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความเพียรทางกายและทางจิตเนี่ยนะถ้าเพียรนะต้องเพียรทางกายและทางจิต เพียร น, นี้ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือเพียรละบาปอากุศลและเพียรเจริญกุศลเนี่ยนะทีนี้ก็เพียรละบาปอย่างเดียวก็แบ่งออกเป็นสองพวกคือแบ่งระวังไม่ให้บาปที่ยังไม่เกิดเนี่ยอย่าให้เกิดไอบาปที่เกิดแล้วเพียรที่กำจัดทีนี้บุญก็มีสองอย่างบุญที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดบุญที่เกิดขึ้นแล้วก็พอกพูนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละเป็นผู้ที่มีความเพียรไม่ใช่นิ่งเมื่อไหร่ก็เป็นหลับเข้าพวังไปตั้งนานเลยนะถามได้อีกทีอา้า ยกซ้ายโยกขวาผงกหน้าผงกหลังหมดเวลาตื่นพอดีนี่เป็นไม่ไหวเนี่ยนะนั่นก็นี้หมายถึงผู้ที่เพียรในการกําจัดบาปกําจัดอากุศลเนี่ยนะก็ <c oughs> มีบางท่านเนี่ยนะโอ้ยเพียรทั้งคืนไม่ค่อยหลับหรอกแต่วันนั่งสับผงกตลอดเนี่ยนะว่า น, น, นี้ไม่เรียกเพียรอะไรเนพราะผู้ที่เพียรจริงๆก็คือเพียรละบาปแล้วก็เพียรเจริญบุญเนี่ยนะ ก็มีในธรรมบทเนี่ยนะมีภิกษุรูปหนึ่งนะบอกอู้ยเพียรมากนั่งพิงไฟสนทนาเดระฉานกถาเกือบทั้งคืนเนี่ยไงนะอีกองหนึ่งเนี่ยเวลาสี่ทุ่มท่านก็พักผ่อนตื่นมาตีสองบำเพ็ญเพียรต่ออ่านะแล้วก็องที่นั่งพิงไฟบอกไหมองค์นี้ขี้เกียจปฏิบัติไม่มากนะสู้ชั้นไม่ได้นั่งพิงไฟสนทนาเดระฉานกถากะพระหนุ่มเน้นน้อยตลอด น, นะอันนี้ก็ไม่ไหวมันคําว่าเพียรในที่นี้ก็คือเพียรในการบริหารตกตกรักษากรรมฐ า, านเพียรระวังห้ามไม่ให้บาปอากุศลเนี่ยไหลเข้า อีกข้อหนึ่งนะที่สําคัญก็คือเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนในมัชชิมนิกายเนี่ยมูลปนาฏเนี่ยนะกล่าวว่าสติที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถทํากิจของสติได้สติที่ไม่มีปัญญาประกอบนะไม่สามารถทํากิจของสติอย่างนี้ได้คือไม่สามารถระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานได้นึกก็ได้ระลึกก็ได้ได้ นะแต่ถ้าผู้ที่มีสติแล้วก็สัมปยุตด้วยปัญญามีปัญญาประกอบเนี่ยนะสติอันนั้นจึงจะสามารถทํากิจของสติได้นี่นะคือทำกิจของสติแล้ลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแล้ลึกถึงสิ่งที่ทําคือระลึกอะไรละลึกถึงกายวิญยัติละลึกกายวิญยัติกายวิญยัตเกิดร่วมกับรูปอะไรก็วินิโพครูป8มีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐานก็พิจารณาโดยความเป็นรูปธรรมและนามธรรมก็พิจารณาปัจจัยของ รูปนามต่อไปเป็นต้นะนะอันนี้แหละเป็นกิจของสติเนี่ยนะเป็นกิจของสติทั้งคำพูดก็เหมือนกันนะคำพูดที่เปล่งออกมาก็เป็นวจีวิญญาณเนี่ยนะรูปที่เกิดร่วมกับวจีวิญญาณคืออะไรมหาภูตรูปสี่อวินิโพครูป8ดนั่นแหละทีนี้สมุทฐานของวจีวิญญาณหรือมหาภูตรูปเหล่านั้นก็คือจิตใช่จิตก็เกิดพร้อมกับสัมปยุต ธ, ธรรมโดยอาศัยวัตถุและ อารมณ์ก็พิจารณาทั้งรูปธรรมนามาทำเนี่ยนะยกขึ้นสู่ปัจจัยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นยังธรรมวิจยะสมโพชงให้เกิดอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะตามเสขะปฏิปทาสูตรเนี่ยเป็นอย่างนั้นผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยอดเยี่ยมแม้สิ่งที่ทํานานแล้วแม้คําพูดที่พูดแล้วนานเนี่ยนะ ก็นึกได้ระลึกได้นี่ก็เป็นธรรมะกระทาที่พึ่งก็ถ้านึกอะไรไม่ออกเลยนะมาจากไหนก็ยังนึกไม่ออกเลยนะจะไปไหนก็นึกไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราโหเดือดร้อนมากกันนะไม่มีที่พึ่งจริงๆเลยนะันก็นนึกอะไรไม่ได้เนี่ยนะถ้ามีสติจริงๆอะนึกอะไรได้กุศลหรืออกุศลเน่ยนเบื้องต้นเลยนะนึกอะไรไม่ออกนี่เป็นกุศลหรืออกุศลนึกต่อไปมีโทษหรือไม่มีโทษ แล้วมีผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้ต้องให้ได้ก่อนนะเป็นเบื้องแรกท่านนึกอันนี้ไม่ได้ว่าบริหารกุศลไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะมนึกว่าปล่อยจิตไปในอกุศลไปแต่ครึ่งชั่วโมงนึกว่าตัวยังดีอยู่ที่ไหนได้นะไม่ใช่ข้อต่อไปข้อสุดท้ายที่สําคัญเนี่ยนะก็คือภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐชำรกกิเลสให้ถึงความบริสิสิ้นทุกข์โดยชอบเห็นความเกิดเกิดด้วยอาการเท่าไหร่ นะความเกิดของขันห้าโดยอาการยี่สิบห้าขันห้าจะดับโดยอาการย5หนะอะไรบ้างเวลามันอ๋อค่อยๆต้องอ น, นะผักบุ้งไฟแดงไม่ได้อไอย่างนีไ้ไม่เป็นไรนะก็อวิชาตันหากรรมอะไรอีกอาหารนามรูปภรษะนีนะ่อันนี้แล้วก็นิพพติอันนี้เป็นเหตุให้เกิดขันห้า ถ้าความดับก็อวิชาตันากรรมภาษานามรูปแล้วก็นิวปรินามารักษณะเนี่ยนะก็แบ่งไปตามสมควรแก่ขันนั้นๆเนี่ยนะพันความเกิดโดยอาการ25ความเสื่อมโดยอาการ25ถ้ารู้ความเกิดละอะไรนะสัสตตทิฏฐิเออเข้าไปละอุเฉททิฏฐิรู้ความเกิดละอุเฉททิฏฐิรู้ความเสื่อมละสัสตตทิฏฐิ แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกาหนัดในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ถึงการชําแรกกิเลสโดยชอบเนี่ยนะทำให้สิ้ น, นทุกข์ได้ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับอันนี้แหละเรียกว่าธรรมะที่กระทาที่พึ่งได้อย่างแท้จริงะนะสรุปในนาถากรณนธรรมเนี่ยนะคนที่มีธรรมะสิประการนี่เรียกว่าเป็นคนที่มีที่พึ่ง ที่พึ่งก็คือมีศีลสองผูสูตรสามมิตร ด, ดีสหายดีข้อสีก็ว่าง่ายคือสอนง่ายนั่นเองนะนข้อหก็เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านข้อหเป็นผู้ที่ฝักฝ่ายในธรรมข้อเจ็ก็สันโดษแปดปรารบความเพียรเก้าสติสิ 10, ปัญญาเนี่ยในข้อสามข้อสีเนี่ยสัมพันธ์กันนะ มีมิตรดีก่อนแล้วสอนง่ายนะไม่ใช่ว่าโหใครสอนก็เอาหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนยนะต้องมีมิตร ด, ดีสหายดีแล้วก็สอนง่ายบางคนกขบอกว่าที่ฉันสอนอยากทุกวันเนี่ยเพราะฉันได้อาจารย์ไม่ดีเขาว่างั้นมีเพื่อนหลายๆคนเขาว่างั้นแหละอะนะเขาบอกเขาได้อาจารย์ไม่ดีอนะนะก็แต่เขาก็ไม่รู้าอาจารย์ดีมันเป็นยังไงอย่างนั้นกันะนะแต่เขาบอกเขาไม่มีอาจารย์ตอนหลังก็ศึกไปเรียบร้อยแล้วนะนะ ก็เลยไม่มีใครแนะนําเข้าได้สักคนเลยเพราะเขาไม่ได้อาจารย์อย่างที่เขาต้องการเนี่ยนะก็เลยก็พระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่ทําไมไม่นับถือตามพระไตรปิฎกไปเลยแล้วก็ว่าง่ายพระไตรปิฎกว่างนี้เป็นอกุศลก็เออใช่มันเป็นอกุศลตามเนี่ยนะก็ขี้ตามอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะเสร็จแล้วก็แต่บางคนก็จะอนุรักษ์นิยมเอาไว้ว่ายากสอนยากไว้ตลอดก็เลยบอกว่าไม่มีคนแนะนำอย่างนั้นนะก็อันนี้ก็น่าเห็นใจก็คนที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีที่พึ่งใช่ไหม ผู้ที่ไม่มีที่พึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เป็นทุกข์เงยนะเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งเลยนะรายละเอียดถ้าใครอยากจะดูเพิ่มเติมอีกก็ดูในเล่มสาสิบดนะข้อเดหน้า 44, นา44ยนะในนาถาการณธรรมเหมือนกันเล่มสาดนะข้อสิข้อสิปหน้าสี่วันนี้ก็ไม่ใช่สมควรเวลานะเพราะหมดเวลาไปนานละ